ตามด้วยเจาะฐานกำนันเที่ยวถัดมาไปชุมแพขอนแก่นก็เริ่มรู้จักพัฒนาวิธีการเพราะว่าพอไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เกี่ยงให้ไปหากำนันให้กับกำนันเลยและกำนันจะมาแจกตามหมู่บ้านเองทีนี้เราจึงเริ่มต้นจากการออกกำนันเป็นหลักจะได้กว้างกว่าเดิมที่ชุมแพจึงเข้าหากำนัน ก็เช่นเคยกำนันบางคนเขาก็รับด้วยความเต็มใจและยินดีจะช่วยเอาต้นพับป่าไปแจกต่อแต่กำนันบางคนก็บ่ายเบี่ยงทุกรูปแบบเราก็พยายามหาอุบายทุกรูปทุกแบบเหมือนกันที่จะให้เขารับและเข้าใจตรงนี้ให้ได้เราเน้นว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่หลวงตาต้องการหรอกแต่หัวใจของทุกคนที่เริ่มเสียสละเพื่อแผ่นดินเกิดของตนเองต่างหากที่สําคัญกว่าพวกเราก็พยายามไปแจกไปทํากันจนเสร็จปรากฏว่า พอถึงวันงานโอ้โหเที่ยวเนี้มหาศาลในงานพวกเราก็มายืนดูเด็กๆชุมแพ้ที่มาช่วยผมแจกกระโดดกอดกันใหญ่เรียกกันไม่ขาดปากให้ผมดูอเจกต้นพัป่ามาแล้วนี่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจนรถเต็มสนามข้างโรงเรียนเลยและเที่ยวต่อมาก็ไปแจกกันที่หนองผือในโอกาสครบรอบ50ปีหลวงปู่มั่น วิธีการแจกก็เหมือนเดิมคือเอาต้นพับไปขอความร่วมมือจากกำนันแจกให้จากเสร็จก็อาจจรรย์อีกถึงวันหลวงตาไปเทศทั้งผู้คนทั้งต้นพับป่ามากันมาหาสารจริงๆเยอะมากๆผมไปยืนร้องห้าอยู่หลังสุดโน้นดีใจว่าเราทำได้อย่างไรนี่บุญวาสนาอะไรช่วยเนอเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ ยกระดับสู้กับนายอำเภอในที่สุดเราจึงสรุปกันว่าเราต้องเข้าหาในอำเภอจึงจะขยายผลได้กว้างไกลถ้าเราไปหาในอำเภอก็จะได้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านลดเวลาทำงานและแรงงานลงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขึ้นในอำเภอบางคนก็ให้ความร่วมมือบางคนก็ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ยอ่อท้อ เข้าไปหาและขอความอนุเคราะห์จากเขาโดยชีย้แจงว่าเรามาจากจังหวัดอุดรได้ยินข่าวว่าหลวงตาจะมาแสดงธรรมมาเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติอยู่ที่นี่ที่นี่เราจึงอยากมาขอความอนุเคราะห์จากท่านในอำเภอจังหวัดของท่านจะได้มีหน้ามีตาในการร่วมมือกันช่วยชาติในยามที่ชาติกาลังประสบกับวิกฤตผมก็ชี้แจงเรื่อยไปนายอำเภอบางคนก็รับต้นพระป่าไว้ด้วยดี และยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่บางคนก็ขัดอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่เอาด้วยกับเราเลยทั้งไล่เราบางทีก็หนีเลยเราสั่งไม่ให้ยุ่งไม่ให้ทำอะไรเด็ดขาดเราก็ไม่เคยละความพยายามเพราะเราก็เข้าใจอยู่ว่าเขายัางไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงตาทำและคิดว่าเราไปทำการเรียรารยซึ่งในอําเภอก็ไม่อยากให้เดือดร้อนถึงลูกบ้านฉะนั้นเราก็พยายามชี้แจงว่าจุดประสงค์จริงๆของหลวงตาท่านก็คือ ต้องการให้คนได้มีหลักใจรู้จักทำบุญและบุญที่เขาเคยทำมามันไม่เหมือนกันบุญกะถินบุญภ้าป่าบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรอะไรก็ทำกันมาหมดแล้วแต่คราวนี้มันเป็นมหาบุญมหากุศลมันประมาณค่าไม่ได้เพราะเป็นบุญกุศลของคนทั้งประเทศร่วมกันที่จะมาช่วยกันดึงประเทศชาติของตนให้รอดพ้นภัยที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ผมพยายามชี้แจงกับนายอำเภอบางท่านที่เข้าใจง่ายหน่อยก็เห็นชอบด้วยแต่บางท่านไม่ยอมเข้าใจถึงกับต้องเถียงกันผมเถียงจริงๆเพราะเขาไม่ฟังเลยแต่ใจจริงๆแล้วผมไม่โกรธเขาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่ามีการพูดกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติของหลวงตาพูดกันกว้างขวางจนทำให้คนเข้าใจผิดว่าหลวงตาจะเรียอะไรเอาเงินไปให้คนโน้นคนนี้ทีนี้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาความจริง ฟังแต่คำพูดคนอื่นก็มีแต่ความคิดแง่ลบกับนายอำเภอบางคนผมถึงกับต้องพูดไปเลยว่าผมเสียใจมากที่ผู้นำอำเภอเป็นผู้ไม่มีเหตุไม่มีผลและยังจะทำให้ลูกบ้านประชาชนในตำบลในหมู่บ้านที่ท่านปกครองอยู่เสียโอกาสแทนที่พวกเขาจะได้ทำบุญกับแผ่นดินเกิดของเขาเ็รามีนายอเภออย่างท่านก็เลยไม่ได้ทาผมเสียใจมากเขาก็รีบออกตัวว่า ผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมาพูดกับผมแบบนี้ได้ยังไงไปพูดกับท่านศึกษา น, นู่นผมก็สวนทันทีว่าผมพูดแล้วศึกษาท่านเข้าใจแล้วแต่ผมอยากให้ท่านในอำเภอได้เข้าใจด้วยเพราะท่านเป็นถึงผู้นําของอําเภอนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจแล้วท่านจะไปพูดกับคนอื่นได้ยังไงบางท่านจะหนีออกไปทางไหนผมก็ไปดักมาคิดย้อนหลังเราทําไปได้ยังไงเราพูดกับนายอำเภอนะ ไม่ได้พูดกับชาวบ้านธรรมดาแต่ผมไม่เคยใส่อารมณ์ถึงผมจะเถียงก็เถียงกันด้วยเหตุผลเพราะนึกอยู่เสมอว่าเรามาทํางานถวายหลวงตาช่วยให้คนหมู่มากมีโอกาสได้ทําบุญจะมาทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตัวอย่างในอําเภอแบบเนี้ยมีมากผมจําได้ไม่หมดแต่มีที่พอจําได้ก็ตอนไปจันทบุรีผมไปครั้งแรกในอําเภอท่าใหม่ไม่ยอมให้แจกต้นผ้าป่า แม้พระผู้ใหญ่โทรศัพท์ไปพูดให้แล้วในอำเภอก็ยังไม่ยอมให้แจกเมื่อพวกเราไปที่อื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืออยู่สองอำเภอที่ไม่ยอมให้แจกพระผู้ใหญ่ที่นั่นบอกเราว่าไม่เอาสองอำเภอนี้ก็ได้แต่ผมไม่ยอมผมอยากให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทําบุญต้องแจกให้ได้ทั้งหมดเลยหลวงตาท่านอยากให้ทุกคนได้มาฟังท่านเทศธรรมะและได้มีส่วนช่วยชาติคณะก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เโฮโร่ไปจัดการก็แล้วกัน ผมก็ไปกับท่านอาจารย์หนุ่มและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตามไปด้วยหลายคนพอไปถึงอำเภอท่าใหม่ผมก็เข้าไปสวัสดีครับท่านนายอำเภอผมมาเรื่องพระป่าช่วยชาติของหลวงตาท่านก็ขัดขึ้นมาทันทีบอกให้ไปคุยกับศึกษาไม่รู้เรื่องเหรอผมก็ใจเย็นชี้แจงไม่ใช่เช่นนั้นครับท่านนายอำเภอผมไม่คุยกับศึกษามาแล้วท่านใด้ความร่วมมือดีมากแต่จะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านนายอำเภอได้เข้าใจจุดประสงค์ ที่องค์หลวงตาท่านมาแสดงธรรมเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติของจันทบุรีที่อำเภอท่าใหม่ของเราเนี่ยท่านทําก็เพื่อให้ทุกคนได้มาฟังธรรมและร่วมกับท่านทำบุญกับแผ่นินเกิดของตัวเองอันเนี้ยจะเป็นมหาบุญมหากุศลและก็ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าต้นพระป่าต้นหนึ่งต้องแล้ต้นละพันสอพต้นละหมื่นสองหมื่ไม่ใช่ครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้และถ้าทําจะทํากี่บาทกี่สลึงก็ได้เราไม่เกี่ยวและเราจะไม่รับต้นพระป่ากลับด้วย ที่เราต้องการเอาต้นพะป่าไปแจกให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านนั้นก็เพื่อให้พวกเขาได้รับทราบว่าหลวงตาจะมาคนที่มีศรัทธาก็มีมันเป็นอย่างนี้ครับท่านไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียรายเงินถึงแม้เราเอาต้นพะป่าไปให้และเขาไม่เอากลับมาถวายหลวงตาก็เรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาเราไม่ว่ากันครับท่านฟังอยู่สักพักก็เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอ ถ้าเช่นนั้นผมก็ยินดีผมมีอยู่ร้อยกว่าหมู่บ้านพอดีผมจะมีประชุมผู้ใหญ่บ้านวันเนี้ยคุณไปแจกกันได้เลยผมโล่งใจชื่นใจพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ตามไปด้วยก็แอบคิกค้คิกคกกันเฮียโหเอาจนได้สำเร็จจนได้พอเสร็จจากท่าใหม่ก็ยังมีอีกอำเภอหนึ่ง ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมให้แจกเหมือนกันผมก็ตีรถไปเหยียบไปกะว่าจะไปให้ถึงก่อนเที่ยงแต่ไม่ทันเลยเที่ยงไปตั้งสิบห้านาทีแล้วขับรถไปก็อธิษฐานขอหลวงตาอยู่ในใจหลวงตาครับขอให้เขาอยู่ผมจะได้ไปคุยจะได้ไปแจกต้นพะป่าต่อได้พอไปถึงปับ๊บผมก็พรวดพลาดกันเข้าไปนายอำเภอครับสวัสดีครับท่านก็ถามว่ามีธุระอะไรหรือ พอผมบอกว่าผมมาจากโครงการช่วยชาติของหลวงตาเท่านั้นละ่ะท่านทำหน้ายักใส่ทันทีคุณเห็นไหมนี่เวลาเท่าไหร่แล้วผมก็ตั้งสติใจเย็นนิ่งพูดกับท่านต่อผมทราบอยู่ครับต้องขอประทานโทษท่านอมเภอมากๆเลยครับพอดีผมติดธุระคุยกับท่านาอมเภอท่าใหม่เพิ่งเสร็จแล้วผมก็รีบตีรถมาเลยเพราะอยากจะชี้แจงและกราบเรียนอำเภอให้ทราบเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติของหลวงตา แล้วผมก็พูดพูดพูดอธิบายเหตุผลแบบเดิมท่านก็ยอมแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเดี๋ววันที่หกเนี่ยผมจะมีประชุมเอาต้นพับป่ามานะท่านก็บอกเท่านั้นต้นเท่านี้ต้นผมหายเหนื่อยเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาเราไปคุยกับนายอำเภอที่ท่านเข้าใจยากๆเนี่ย และหลายครั้งที่ไปกันเกิน 3-4 ี่คนมีแดงฝนกับอ่อนไปคุยด้วยถ้าเป็นผมพูดในอำเภอจะพูดกับผมนิ่มมากแต่พอใครในสามคนนั้นเอ่ยปากขึ้นมาท่านก็จะเสียงดังเอ็ดเอ็ดใส่พอผมพูดท่านก็นุ่มอีกสลับกันอยู่อย่างเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ตกลงว่าสองอำเภอนี้ก็จบได้แจกต้นพระป่าและได้การตอบรับอย่างล้นหลาม